การปฏิบัติกับหลวงพ่อนี่เป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกที่ชิคาโกไปเช้าเย็นกลับแล้วก็ครั้งนี้ก็จริงจัง6วันก่อนหน้านี้ก็ได้ปฏิบัติแบบดูลมหายใจแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรอะค่ะไปไปลองสองครั้งที่ที่หลวงพ่อเจฟฟรีย์อะค่ะที่วัดเมตตาซานดิเอโกแล้วก็ที่เมืองไทยก็หลวงหลวงพ่อกันหาสองแห่งนี้ก็สัปปะยดีก็ สะดวกสบายแต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ o J. สอนนําทางเพราะว่าเหมือนกับทุกคนไปแล้วก็ทําเป็นกันแล้วก็เหมือนกึ่งไปเที่ยวแล้วก็กึ่งปฏิบัติสบายสบายแต่ครั้งนี้มาอ๋อแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งไปหาแม่สมพรเพราะว่าได้น้องมนก่อน้องเล็กเขาพยายามเกลี้ย ก, กล่อม <alah deutlich> ให้เราไปปฏิบัติแนวนี้ก็เออลองดูเพราะว่าไปเจอหลวงพ่อวันนึงก็รู้สึกก็ถูกจริตกับตัวเองดีเพราะเป็นคนแบบ นั่งนานๆแล้วก็จะเบื่อแล้วก็เคยนั่งดูลมหายใจก็รู้สึกตอนทำก็สงบดีนะคะแต่พอเจอแบบทำงานมีลูกน้องลูกค้าหรือว่าไม่ปรึกษางานกับแฟนก็จะเถียงกันอะไรเงี้ยก็มันเหมือนอารมณ์มันพุ่งแรงกว่าปกติก็เลยคิดว่าอืมลองดูก็ได้ไปหาแม่สมพรก็ลองไปลองดูแต่ว่าจะไม่จะไม่เหมือนกับ เข้มเหมือนอย่างเนี้ยค่ะคือแม่ก็รู้ครั้งแรกก็จะให้สบายๆหน่อยแต่ก็ก็เข้าใจประมาณหนึ่งเสร็จมาครั้งนี้รู้สึกว่าหลวงพ่อติวเข้มแล้วก็การปฏิบัติสองสมวันแรกรู้สึกว่ามันมันเบื่อแล้วก็หงุดหงิดบางทีก็แอบแว บ, บหนีไปห้องน้ำไปนั่งเท้าขาวาทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ แล้วก็ออกมาสู้ใหม่เสร็จก็พยายามทานอาหารน้อยแล้วนะคะเพราะกลัวง่วงแต่มัน ก, ก็ยังง่วงอยู่ดีมารู้สึกค่อยค่อดีขึ้นประมาณวันวันพระรหัสอคะ่ะมันจะจะแบบเป็นคนเป็นคนไม่ตื่นเช้าอะเพราะมันเหมือนกรชินหรืออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็การปฏิบัติเหมือนเข้าใจมากขึ้นมีคำถามก็ได้ คุยกับหลวงพ่อได้ถามหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้เข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วก็พอวันศุกร์พอใกล้ๆจะกลับแล้ววันศุกร์ก็รู้สึกว่าเออวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราต้องพยายามตั้งใจเต็มที่ละก็รู้สึกว่าค่อยๆมีขึ้นนะคะได้เห็นหนักเบาเห็นอารมณ์แล้วก็สามารถอย่างอย่างไม่ได้ยินเสียงหรือมองใครเงี้ยมันสามารถดึงตัวเองกลับมาเร็วขึ้นไม่แบบไม่ ไม่มองแล้วก็ยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดยาวอะไรประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 1> เข้าใจว่าอย่างอะไรมากระทบเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกตัวได้ดีขึ้นจะทําอะไรจะขยับจะเดินมันจะมันจะชัดเจนขึ้นนหะคะ่ะเพราะปกติทำเนี่ยมันเหมือนอัตโนมัติเหมือนสัญชาตญาณแบบหยิบทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกต ต, ตัวเอง แต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าเออจะหยิบจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนเหมือนแบบปฏิบัตินี่เหรอเจ้าคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นี่อะไรกระทบก็ไปเลยฮะทั้งกายว่าจใจไปหมด